สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีลูปเพจพระเจอผีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามนะคะทางช annel ในยูทูบนะคะกับ c h annel พระเจอผีนั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกๆยอดวิวนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ ก, ก, การติดตามแล้วก็การติชมนะคะที่มีเข้ามาให้กับเรานะคะทุกๆ ท, ท่านเลยนะคะอาจจะมีการอัปเดตช้าบ้างมีการอัปเดตเร็ว บ้างนะคะก็อาจจะติดภารกิจไปบ้างนะคะในะก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาพูดคุยกันกับทุกๆคนสักเท่าไหร่นึงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเวลาเราก็ไม่ปล่อยให้เวลาที่เรามีเนี่ยเสียเปล่าเราก็มาพูดถึงเรื่องราวนะคะของอ เกจินะคะท่านต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในสายของหลวงปู่มั่นนะคะหรือว่าสายของหลวงพ่ออื่นๆนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้เราไม่ได้นำมาถึงเรื่องของสิ่งเร้นลับหรือว่าเป็นเรื่องของผีสางนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของชีวประวัตินะคะอัตลชีวประวัติของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าอาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาธนะคะจริงๆแล้วนะคะเดิมของอานามเดิมของหลวงปู่สุปเนี่ย คือจะชื่อว่าสุขนามสกุลเกสเวชนะคะซึ่งต่อมาลูกหลานก็ได้ใช้นามสกุลใหม่นั่นก็คือเกสเวชสุริยะก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งหลวงปู่สุขเนี่ยนะคะท่านาได้เกิดเมื่อวันจันท ร, ร์เดือน4ขึ้น8ค่ำปีวอกนะคะเมื่อพุทธศักราช 2,390 ที่บ้านมะขามเท่าซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าบ้านมะขามเทาแต่ว่าปัจจุบันคือเรียกว่า บ้านปากคลองนะคะตําบลมะขามเท่าอํเาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะโยมบิดามารดาของหลวงปู่นะคะชื่อในนุ่มแล้วก็นางทองดีตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตําบลมะขามเท่ามีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมด9คนค่ะโดยหลวงปู่เนี่ยจะเป็นพี่คนโตก็คือเป็นพี่ชายคนใหญ่นะคะรองลงมาก็จะเป็นน้องสาวชื่อนางอําแล้วก็นายรุ่งนางไข่นายนสินนาย มีนางขำนายพลอยแล้วก็หลวงพ่อปลื้มนะคะปัจจุบันนี้ยังมีลูกหลานของหลวงพ่อนะคะที่ อ, อยู่บ้านใต้อยู่บ้านใต้วัดมะขามเท่าอีกหลายคนค่ะหรือแม้แต่ว่าร้านค้าร้านขายภายในบริเวณวัดเองก็ยังมีนะคะ หลวงปู่สุขค่ะท่านมีลุงคนหนึ่งชื่อว่าแฟงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันก็คือกรุงเทพนะคะมีอาชีพทำสวนไม่มีบุตรหรือทิดาค่ะก็เลยได้มาขอหลานจากโยมบิดามันดาหลวงปู่สุขไปเลี้ยง ยมพ่อท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาหลวงแฟงก็เลยเลือกเอาคนโตหรือเรียกว่าคนหัวปีนั่นก็คือหลวงปู่สุขนะคะซึ่งเข้าใจว่าขณะนั้นอายุประมาณสักสิบขวบเมื่อหลวงปู่สุขได้ไปอยู่กับลวงแฟนจะเดินเติบโตที่ตำบลบางเขนหลวงปู่ก็อยู่ในวัยชกันค่ะท่านก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพทํามาหากินค่าขายเล็กๆน้อยๆโดยยึดลำคลองบางเขนนะคะซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพยาตอนใต้ตั้งแต่จังหวัดนนท ทับบุรีลงมาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจะอยู่ข้างทางเข้าวัดทางหลวงซึ่งเป็นที่ท ร, รมาหากินของหลวงปู่ในสมัยนั้นนะคะ คลองบางเขนที่พูดถึงเนี่ยนะคะคือจะทอดขึ้นไปเชื่อมกับคลองรังสิตเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญแล้วก็กว้างขวางเป็นอย่างมากค่ะเมื่อมีการคมนาคมทางบกจเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ำก็หมดความสำคัญลงปัจจุบันคงจะตื้นเขินไปแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าขาดการพนุบำรุงเท่าที่ควร หลวงปู่ท่านก็ทำมาหากินอยู่ในคลองบางเขนระยะนึ่งนะคะจนอายุได้ประมาณสัก18ปีท่านก็ได้พรรยาที่ชื่อว่านางสมบูรณ์และก็เกิดมีบุตรชายด้วยกันคนหนึ่งก็คือชื่อสอนเกตเวสุริยะนะคะอขออภัยค่ะชื่อสอนเกตเวสุริยานะคะหลวงปู่ท่านก็ครองเพศคารวาดอยู่ไม่นาน พอท่านอายุได้สัก22ปีท่านก็ได้เวลาอุปสมบทณวัดโพบางเขนหรือปัจจุบันนะคะมีชื่อว่าวัดโพทองล่างนะคะใครที่อยากจะไป่าตามรอยหลวงปู่นะคะก็ไปได้นะคะอยู่ที่วัดโพทองล่างนะคะอยู่ที่บางเขนซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพ ส่วนของวัดโพทองบนอยู่ตอนเหนือปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปทุมธานีนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของการอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นนะคะท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ24ปีที่วัดโพบางเขนต่อมาก็เปลี่ยนเป็นชื่อวัดโพทองล่างโดยมีพระครูเชยจันทศิริวัดโพบางเขนเป็นพระอุปชาค่ะแล้วก็พระถ่ายลมเป็นพระคู่สวด การอุปสมบทนี้มีลุงแฟงเป็นผู้อุปการะทุกอย่างส่วนยมบิดามันดานะคะไม่ได้มาร่วมพิธีด้วยเพราะว่าการเดินทางสมัยนั้นลำบากมากจากจังหวัดชัยนาทถึงกรุงเทพเนี่ยคืออย่างน้อยเลยนะคะกินเวลาถึงสามวันกว่าจะถึง เดินทางนอกจากจะไกลแล้วยังลำบากด้วยเนาะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็พระอุปชาของอหลวงปู่นะคะท่านก็ชื่อหลวงพ่อเชยจันทศิริอดีต ท, ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและก็พระธรรมวินัยอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเฉยเนี่ยท่านยังเป็นอาจารย์นะคะทางฝ่ายวิปัสนาทุระมีความรู้แล้วก็ความชํานาญรู้แจ้งแทงตลอดอีกทั้งทางด้านวิทยาคมเนี่ยต้อง บอกว่าท่านก็แก่กล้าเป็นยิ่งนักหลวงปู่สุกก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปัชาของท่านมาพร้อมกับอาจารย์เปิงแห่งวัดชินวนารามและก็หลวงปู่เท่าแห่งวัดหงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันนะคะเมื่อหลวงปู่สุกได้อุปสมบทแล้วนะคะก็อยู่กับพระอุปัชาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพอสมควรท่านก็ได้ออกเดินทุดง ไปหาที่สงบเพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็วิชาอาคมต่างๆจากสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยนั้นนะคะจนเรียกว่าชำนาญดีแล้วล่ะค่ะจึงกราบลาอาจารย์กลับบ้านเกิดของท่านโดยท่านก็มาพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านของท่านชื่อวัดนี้ชื่อว่าวัดอู่ทอง นะคะปัจจุบันเรียกว่าวัดปากคลองชาวบ้านแถวนั้นก็มีความศรัทธาเลื่อมใสนะคะก็เลยนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่ว่าวัดร้างแห่งนี้เนี่ยนะคะจะได้แบบว่าเจริญขึ้นมานะคะดังนั้นท่านก็เลยได้อยู่ที่วัดนี้นะคะจนจนท่านมรณภาพในระหว่างที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยท่านก็ได้เริ่มพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองด้วยจากวัดที่ร้างไม่มีอะไรเลย จนถึงพุท ธ, ธาวาสธรรมาวาสแล้วก็สังฆาวาสค่ะเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีพระอุโบสถแล้วก็มณฑปปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนการอบรมสั่งสอนนะคะท่านก็ได้แนะแนวการประพฤติปฏิบัติชอบให้เห็นคุณโทษของการปฏิบัติตนในทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรจนประชาชนแถวนั้นค่ะมีความประพฤติมีศีลธรรม เป็นส่วนมากนะคะหลวงปู่ศุขท่านเพลินอยู่ในธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมานดาท่านที่วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธได้ชราภาพลงตามอายุขาย แล้วก็ความเจ็บไข้มาเยือนอยู่บ่อยครั้งค่ะด้วยความที่ท่านก็เป็นห่วงใยในบิดามารดาของท่านเนี่ยนะคะจึงได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมแล้วก็ได้จำพรรษาอยู่ปีแรกอยู่ที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีในปัจจุบันนั่นเอง แต่ว่าสภาพของวัดอู่ทองขณะนั้นเนี่ยเกิดการชำรุดทรุดโทรมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีได้ในต่อไปท่านก็เลยได้ขยับขยายออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ได้สร้างกุฏิขึ้นครั้งแรกหลังหนึ่งนะคะพอเป็นที่อยู่อาศัยไปพลางๆก่อน สืบต่อมามานดาของหลวงปู่นะคะได้ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้จัดการชาปน ก, กิจศพแล้วก็ในงานนี้เองคือหลวงปู่เนี่ยท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกครั้งแรกนะคะเมื่อประชาชนที่ได้รับแจกพระเครื่องจากท่านไปเนี่ยก็ได้ปรากฏอภินิหารทางอยู่ยงคงกระพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเคียวงาคือสุนัข ก, กัดไม่เข้า ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าบนนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนะเนี่ยคือไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเป็นส่วนใหญ่ก็อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้นะคะเป็นยามเฝ้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดในตอนนั้นนะคะจะต้องระวังคือเรื่องของสุนัขมันชอบมารอบกัดให้ดีนะคะมิฉะนั้นท่านจะถูกสุนัข ก, กัดเอาง่ายๆ เ, เลยคือพระของหลวงปู่เนี่ยจึงมีชื่อเสียงเรื่องของสุนัข ก, กัดไม่เข้าค่ะเป็นปฐมมเหตุก่อน จึงบังเกิดความนิยมไปขอท่านมาแขวนคอบุตรล้านเพื่อกันเคี่ยวงาและก็พยันตรายต่างๆนะคะสมัยก่อนพระปากพระวัดปากคลองเนื้อตะกั่วก็จะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนถ้าหากว่าไปขอพรหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านจะให้ครบทุกคนนะคะกิติศัพท์ในความคลังแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์นะคะในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านก็เลยค่อยๆ เผยแพร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่งในเวลาไม่ช้าไม่นานค่ะคุณวิเศษของหลวงพ่อนะคะของหลวงปู่ศุขเนี่ยนะคะ mm. ก็เลยค่อยๆโด่งดังขจรขใจไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคุณผู้ฟังคือวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยซึ่งตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้าเจ้าพยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า ตลอดจนการทามาค้าขายแล้วก็การขึ้นการล่องจะต้องอาศัยสายน้ำเจ้าพยาเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะถนนหนทางทางบกยังคงธุรักันดานค่ะพอตกเพลาพลบคำ่ำพ่อค้าแม่ค้านะคะก็จะนำเรือเล็กเรือใหญ่นะคะมาจอดนอนอาศายัยค้างแรมอยู่ที่แพร่หน้าวัดของท่านเพื่อ อ, อาศัยบารมีของหลวงพ่อนะคะช่วยป้องกันขโมยขจร ที่จะมาปทุสร้ายต่อเลือดเนือ้อแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินถ้าเปรียบไปแล้วนะคะหน้าวัดของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นชุมทางที่สำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ช่วยส่งเสริมให้เกียรติคุณของหลวงพ่อท่านเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศชื่อเสียงของหลวงปูุ่ขนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักกันในนามหลวงปูุ่ขแห่งวัดปากคลองมะขามเภานั่นเองนะคะแล้วเรื่องราวของ เสด็จในกรมหลวงชุมพรนะคะมาขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ที่กล่าวไว้นะคะว่า ท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งมากคือสามารถเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อได้ตัวแตนได้เสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้แล้วก็มีเรื่องอภินิหารของของลังคงกับพันชาตรีอีกมากมายเลยล่ะค่ะคืออาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่ศุกกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีซึ่งเป็นพระราชโอรสนะคะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นับลำดับราชสกุลวงศเป็นพระองค์ที่ 28ี่ 28, แล้วก็เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่1น่ในเจ้าจอมมันดาโมดนะคะที่ดาพระยาสุระวงศ์วัยวัฒน์หรือว่าวอนบุญนาคนั่นเองค่ะได้สร้างสมกันมาแต่ชาติปางก่อนคือได้ดนบันดาลให้เสด็จในกรมเนี่ยซึ่งทรงศรัทธาเลื่อมสายในทางมหาพุทธาคมอยู่แล้วเป็นทุนเดิมได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุกแล้วก็พระองค์ท่านได้พบกันนี่ก็เป็น อาจเรื่องแต่ที่บอกว่าจะบังเอิญไหมก็ ก็บอกว่าบาังเอิญก็ได้แต่ว่าด้วยบารมีนะคะหรือว่าด้วยบุญเก่านะคะทําให้ได้มาพบกันพระองค์ท่านก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์นะคะที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ศึกษาวิชาจากหลวงปู่สุขจนแตกฉานจนกระทั่งหลวงปู่เองก็หมดความรู้นะคะจึงได้ให้เสด็จในกรมเนี่ยไปศึกษาเคล็ดวิชากับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานนะคะเดี๋ยวเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อเงินเนี่ยเดี๋ยวจะนํามาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปก็แล้วกันเนาะ หลวงสเสด็จในกรมนะคะก็เลยไปศึกษาหลวงปู่สุขเนี่ยให้สเสด็จในกรมนะคะไปศึกษาเคล็ดลับวิชากับหลวงพ่อเงินแห่งวัดแห่งวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะคะที่เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ตอนนั้นเนี่ยนะคะได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองที่อุโบสถด้านในหน้าอุโบสถนะคะซึ่งปรากฏจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลวงปู่สุขเองท่านก็มีเมตตา ม, มากจึงมีสิทธิ์เป็นอันมากค่ะที่มาเรียนวิชาเหล่านี้ท่านก็เลยได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากรแล้วก็เป็นเจ้าคณะแขวงซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะเจ้าคณะแขวงก็คือเจ้าคณะอําเภอ เป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิงห์โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งแต่เมื่อใดนั่นเองนะคะเมื่อหลวงปู่สุขนะคะท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมค่ะจึงเป็นกำลังสำคัญนะคะที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสร้างวัดปากคลองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์ ฐานวัตถุทางพระพุทธศาสนานะคะที่ยังคงเหลือเป็นประจักษ์ยพยานในปัจจุบันก็คือภาพเขียนฝีมือนะคะเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถที่วัดปากคลองมะขามเท่าค่ะที่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เป็นภาพเขียนที่ฝีมือเสด็จในกรมนะคะบนฝาผนังพระอุโบสถภายในวัดปากคลองมะขามเท่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภาพเขียนสีน้ําที่ทางกรมศริลปากร น, นะคะยกย่องว่าเสด็จใน ทรงมีฝีมือในการเขียนภาพอย่างมากแล้วก็ทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในภาพพระพุทธเจ้าชนะมาร น, นะคะในกระแสน้ำที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมทำให้เกิดอุท ก, กภยัยหรือว่าอุทกทาราหลากหลายพัดพาเอาทับของพญามารไปนั้นพระองค์ท่านนะคะได้เขียนภาพลิงใส่นาฬิกาแล้วก็หนีบขวดวิสกี้กำลังเดินตุบตุเปไปเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะฤาษีปัญจวคัคคีเมื่อเห็นเจ้าชายสิทธัตถะ เลิกทรมานพระวรกายหันมาเสวยพระกยาหารหรือว่าทรงฉันอาหารนะคะก็นึกว่าพระองค์คงจะท้อถอยแล้วก็ละความเพียรแล้วจึงพากันผาลหนีพระองค์ไปนั้นสเสด็จในกรมท่านก็เขียนใบหน้าของฤาษีปัญจวคัคคีโดยสอดอารมณ์ที่ยิ้มเยาะเย้ยหยันอย่างไม่อะไรใหญดีต่อพระองค์เน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมากเลยทีเดียวค่ะฝีมือของสเสด็จในกรมนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้า ที่ เป็นสีน้ำมันนะคะเป็นรูปของหลวงปู่สุกยืนเต็มตัวแล้วก็ถือไม้เท้าภาพเขียนนี้เนี่ยคะถูกเขียนขึ้นในขณะหลวงปู่มีอายุมากแล้วนะคะจึงต้องเดิน3ามขานั่นเองศิลปะวัตถุในพระพุทธศาสนาที่วัดปากคลองมะขามเท่านอกจากนะคะพระอุโบสถแล้วก็ยังมีมนตดบจตุรมุขประดิษฐานบนรอยพระพุทธบาทประตูอ่ารอยพระพุทธบาทประตูทั้ง4ี่บานนั้นนะคะก็แกะด้วยไม้สักแล้วก็ ลวดลายถึง3 ล, ลวดลายลึกถึง3ชั้นนะคะเคยมีคนสมคบกันเอาบานประตูมนดบจตุรมุกออกมาขายเอามาลงที่กรุงเทพค่ะเตรียมใส่เรือกระแชงในคลองมหานาคเพื่อออกต่างประเทศแต่ว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะทำให้อ่า ต้องบอกว่าวัตถุที่หลวงปู่สุขท่านสร้างหรือว่ า, าที่เสด็จในกรมท่านสร้างเอาไว้ในบวรพุทธศาสนาท่านจึงเข้าประทับทรงจากหิ่งบูชาจังหวัดนครสวรรค์รับเอาท่านแม่ทัพที่นครสวรรค์นะคะก็ขออภัยด้วยนะ้ ที่ที่จําชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มารับเอาท่านในอำเภอรประจําจังหวัดชัยนาธในขณะนั้นก็คือคุณสุธีอบอ้อมอแล้วก็นั่งรถเข้ากรุงเทพค่ะที่บอกว่าร่างทรงหลวงปู่ก็ได้พาคณะรถเลี้ยวเข้าครอกเข้าซอยมาจนถึงเรือกระแซงที่บรรทุกบานประตูมนดปเตรียมขนออกนอกได้อย่างทันท่วงทีคือยึดเอาบานประตูทั้ง4ี่บานเนี่ยคืนกลับไปซึ่งขณะนั้นยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าพานิชวานารามอําเภอวัดสิงห์จังหวัด ชัยนาธแล้วก็ยังไม่ได้ส่งคืนวัดปากคลองมะขามเท่าเพราะเหตุอะไรนั้นนะคะชาวจังหวัดชัยนาธเขาก็ทราบกันดีว่าเพราะอะไรปัจจุบันชาวจังหวัดชัยนาธค่ะผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมสายได้ร่วมกันสร้างรูปขุนขี้พึ่งไว้ที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อจะได้ทาการสักการะบูชาโดยทั่วกันกรมทหารเรือก็เห็นความสาคัญนะคะจึงได้เชิญ ช่างนะคะไปทำการบูรณะซ่อมแซมมณฑปเมื่อปีพุทธศักราช2545ทำให้ประชาชนทั้งใกล้แล้วก็ไกลค่ะต่างจังหวัดด้วยนะคะก็หลั่งไหลมาสักการะบูชาทุกๆวันโดยไม่ได้ขาดเลยนะคะวัดป่าคลองมะขามเท่าค่ะจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทต่อไปส่วนเรื่องทรงเจ้าเข้าผีนี้ จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นะคะแต่ที่ทรงจริงๆนั้นเนี่ยจะมีน้อยซึ่งอย่างไรก็ดีในกรณีลวงวิญญาณของหลวงปู่สุ ป, ประทับทรงแล้วก็ซอกแทรกลงมาจากนาครสวรรค์จนถึงกรุงเทพเกือบ300กิโลเมตรแล้วก็ยังพาคณะเข้าครอกตอกซอยจนถึงเรือกระแชงที่จอดลอยลำอยู่ในคลองมหานาคนั้นเนี่ย เป็นการเดินทางที่สลับวับซออสลับซับซ้อนแล้วก็วกวนน่าดูนะคะแต่ว่าร่างทรงเองก็พาคณะไปจนพบแล้วก็ยึดบันประตูกลับคืนมาได้นั้น มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์อย่างยิ่งค่ะโดยบานประตูมนดปทั้ง4ี่บานดังกล่าวแล้วนั้นนะคะทั้งเสด็จในกรมและก็หลวงปู่สุขค่ะคือได้ช่วยกันสร้างเป็นชิ้นสุดท้ายระบุไว้เมื่อปีพุทธศักราช2465อยู่ที่ซุ้มหน้ามนดปอีกด้วยนะคะส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นอกจากจะถูกอัธยาศัยกันเป็นอย่างยิ่งค่ะจากเดินทางไปมาหาสู่กันเสมอถ้าเสด็จในกรมติด ราชการงานเมืองหลวงปู่ก็จะลงมาหาโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้กลางสระที่วางนางเลิงซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัววิกตอเรียมีใบกลมใหญ่ขนาดถาดเลยนะคะและรู้สึกว่ากลางใบก็จะมีหนามคมด้วยนะอันนี้ได้รับคําบอกเล่าจากลุงผลนะคะธาตาแรกซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ติดสอยห้อยตามหลวงปู่เหมือนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะท่านเป็นชาอุตตรดิตถ์ค่ะหรือพิษณุโลกก็จําไม่ได้เนาะจําได้ไม่ค่อยถนัดนักคือหลวงปู่ ท่านก็ไปขอพ่อขอแม่มาเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อสิ้นบุญหลวงปู่ท่านก็เลยลงหลักปักฐานได้ภริยาอยู่ที่ตําบลท่าแรกอําเภอเมืองสิงห์จังหวัดชัยนาทเลยเรียกกันติดปากว่าลุงผลท่าแรกนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะภายในกําหนด1ปีนะคะหลวงปู่สุกจะต้องลงมากรุงเทพหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเสด็จในกรมท่านจะทําพิธีไหว้ครูราวๆเดือนเมษายนงานก็จะจัดถึง3วันวันแรกนะคะก็ไหว้ครูกระบี่กระบองวันที่สองไหว้ครูหมอยาแผนโบราณ แล้วก็วันที่3นะคะก็จะไหว้ครูทางวิทยายุทธพุทธาคมแล้วก็ศัยศาสตร์จัดเป็นงานใหญ่มีมะหอรสศพสมโพทธิทุกคืนค่ะก็มีการแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุขอีกด้วยแต่ว่าในระยะหลังๆห ล, งลวงปู่สุขท่านก็อายุเยอะขึ้นสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าใดนักท่านจึงไม่ค่อยจะได้ลงมานะคะแต่ว่าเรื่องราวนี้นะคะจากที่เคยได้ศึกษาตําราอักขระเลขยันของอาจารย์ท่านมหาโพแห่งวัดคลองมอญอาเภอวัด สิงจังหวัดชัชนาทผู้สืบสายมาจากท่านใบดีกายังวัดหนองน้อยอําเภอเมืองจังหวัดชัชนาทค่ะซึ่งเป็นฐานาในหลวงปู่สุขและก็เป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่สุรูปหนึ่ง ตำราอักขรเลขยันซึ่งคุณหมอสำนวนปานวัฒวิชัยนะคะแห่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยนาธท่านเองก็ได้ใช้เวลาค้นคว้าแล้วก็รวบรวมพระเครื่องของหลวงปู่สุขนะคะตลอดจนประวัติแล้วก็เรื่องราวของท่านตลอดมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเลยทีเดียวโดยได้นำออกมาตีพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือรวมเล่มขนาดหนานะคะก็ได้ตีพิมพ์ตำราอักษรเลขยันของหลวงปู่สุขที่สอนให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านลงไปด้วย แล้วก็บางตอนค่ะบางหน้านะคะยังมีลายมือของหลวงปู่อีกด้วยค่ะก็นับว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับผู้ที่สนใจนะคะแต่ถ้าว่าในตำราอักษรเลขยันของท่านนั้นมีความรู้ขั้นพื้นฐานทั่ ว, วไปซึ่งมีอยู่ในตำรามหาพุทธาคมที่เราร่่มเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นการเรียนสูตรอสน จากคำพีรัตนมาลาในพระอิติปิโส56พระคาถาห้องพุทธคุณลงเป็นยันเกราะเพชรหรือว่าตาข่ายเพชรนะคะยันพระไตรสรณคมตลอดจนคำภีณร้อยแแล้วก็ณพินทุหรือจะเป็นณปฐมการหรือณโมพุทธายะใหญ่แล้วก็ยันประจําตัวของท่านที่ท่านใช้อยู่เป็นประจําก็คือตัวพุทธะมะวันโลกที่ท่านใช้จานลงที่หลังพระ พิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านนอกจากนั้นนะคะก็ยังคงลงด้วยยันสามลงนะคะนะมะอ่ขอให้ค่ะมะ อ, อ, อุนะคะก็คือเป็นยันสามที่ขมวดยันลงหลังรูปถ่ายของท่านเรียกว่ายันเพชรหลีกน้อยนอกจากนี้นะคะท่านก็จะนิยมหนุนหรือล้อมด้วยธาตุทั้งสี่ก็คือนะมะพะธานั่นเองค่ะ อันหนึ่งการที่ท่านนะคะทำพระเครื่องรางของขลังได้ประสิทธิฤทธิ์เดช ท, ทั้งๆ ท, ที่ใช้อักษรเลขยันพื้นๆ น, นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าอำนาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมากระอาฝึกฝนมานานนะคะก็กล้ากแกร่งยิ่งนะโดยเฉพาะ กสินธาทั้งสี่ค่ะมีดินน้ำลมไฟเป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็เป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจอิทธิฤทธิทางใจเลยทีเดียวสำหรับการสำเร็จวิชาชั้นสูงที่เรียกว่ามายการหรื อ, อก็คือความเชื่อนะคะแล้วก็การปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดผลด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของขลังพิธีกรรมหรือหลีกลี สิ่งลี้ลับนะคะก็จะบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการเช่นท่านเสกใบมะขามเนี่ยคือให้เป็นตัวแทนตัวต่อเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผูกหุ่นพยนด้วยฟางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็เป็นมายการชั้นสูงนะคะก็คือการบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการแต่แท้ที่จริงแล้วใบมะขามก็คงเป็นใบมะขามค่ะหัวปลีก็ยังคงเป็นหัวปลีอยู่แล้วก็หุ่นฟางพยนก็ยังคงเป็นหุ่นฟางพยนเหมือนเดิม เนแต่ว่าด้วยอำนาจจิตของท่านนะคะทำให้เราเนี่ยที่ถูกเสกเนี่ยคือเห็นไปเองนะคะอันนี้นำมาจากหนังสือพระกถินพระราชทานสมาคมสิทธิอนงคารามเมื่อปีพุทธศักราช2519เรื่องพระใบมะขามท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่ไปอุปถากหลวงปู่สุขขณะที่ท่าน ขณะที่อาราธนาท่านมาปลูกเสกพระชัยวัดนะคะแล้วก็พระโปรกใบมะขามเมื่อปี2459ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งนะคะว่า เมื่อข้าพเจ้าไปอุปถากหลวงพ่อแล้วก็มีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตรกุฏบ่าพี่สมพี่สมอบ้างโดยยื่นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคให้ลงคาถาบางคนก็ขอความเมตตาบางคนก็ขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพระเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะลงให้ว่ากไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหนาชาลิติ บางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากไรหลวงพ่อก็พูดติดตลกว่าเมตยายไม่เอาหรือเอาแต่เมตตาเท่านั้นหรือคนขอจึงบอกขอเมตตาอย่างเดียวข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากไรท่านก็บอกว่าณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูข้าพเจ้าจึงบอกหลวงพ่อครับผมไม่มีความขลังลงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร หลวงพ่อก็เลยบอกมันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงนะคะเพราะว่าระหว่างนั้นพระมหานะคะที่ท่านได้ลงบันทึกไวเนี่ยท่านบอกว่าข้าพระเจ้าให้ลงให้หลวงพ่อลงกระหม่อมแล้วท่านเสกเป่าไปที่ศีรษะตั้งหลายครั้งเมื่อเป่าที่กระหม่อมที่ใดข้าพระเจ้าขนลุกชันทั้งตัวทุกครั้งทั้งที่ข้าพเจ้าฝืนใจไม่ให้ขนลุกก็ลุกทุกครั้งท่านเป่าข้อนี้เป็นมหาสัจจริงจริงๆข้าพระเจ้าคิดว่าข้าพระเจ้าจะเป็นแต่เพียงผู้เดียว พอไปสอบถามภิกษุอุปถักรูปอื่นก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสำเร็จสมณะภาวนาแน่ๆอันหนึ่งท่านว่าท่านเป็นพระที่น่าเคารพนะอาอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูด บางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นถามว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นต่อและเสกเอาผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมรับเป็นสิทยิ์หลวงพ่อก็เลยตอบข้าพระเจ้าบอกว่าหลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกเลยหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรมหลวงไปต่างประเทศเข้าใจว่าไปรับเรือพระร่วงนะคะถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านและก็ปรนิบัติท่านจนท่านกลับวัด แล้วว่ากรมหลวงชุมพร น, นี้ตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่ทําอันตรายได้หลวงพ่ออยู่เป็นอยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธจารย์นวมพุทธศะพุท ธ, ธสรมหาเถนเป็นเวลาสิบวันได้ทราบว่าสมเด็จเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่ออีกด้วยส่วนเรื่องของ หลวงพ่อสุขนะคะมรณภาพท่านก็ได้มรณภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีกุลปีพุทธศักราช2466ไม่ปรากฏวันที่แน่นอนค่ะคำนวณอายุได้76ปีวันสวดพระพุทธมนต์ทาศพอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนจึงประชุมเพลิงการที่เราคนรุ่นหลังนะคะคุณผู้ฟัง จากเขียนจากอ่านเรื่องราวแล้วก็วัดปฏิบัติของหลวงปู่สุขซึ่งท่านมรณภาพล่วงไปแล้วกว่าครึ่งศตวรรษให้ได้ใกล้เคียงกับความจริงนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะอาศัยหลักฐานทางเอกสารที่หลงเหลืออยู่บ้างจากการไต่ถามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านซึ่งส่วนมากจากล้มหายตายจากกันไปเป็นเสียส่วนใหญ่ดังนั้นนะคะการที่ท่านได้รับรู้การเขียนของท่านมหาซึ่งเคยอุปถากหลวงปู่ดังกล่าว ก็คงจะทำได้ให้คุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้อ่านทุกท่านนะคะมองเห็นสภาพของหลวงปู่สุขได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดค่ะ